ในวิสุทธิมรต่อเลยนะพยายามนึกถึงต้นเข้าเดิมของวิสุทธิมรติว่าวิสุทธิมรตินี้เป็นคมภีร์ที่กล่าวอธิบายพระไตรปิฎกแต่ว่าอาศัยคาถาที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสตอบกับเทวดาซึ่งเทวดาได้มาทูลถามพระผู้มีพระภาคว่านไนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะ ชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกหมืนกันอคําว่าชัดในที่นี้เป็นชื่อของตันหานะซึ่งมันชัดทั้งภายในชัดทั้งภายนอกหมู่ประชาเนี่ยถูกชัดคือตันหานี่มันกลุ่มรุมร ม, มากขนาดนี้เนี่ยนะทํายังไงจึงจะถางชัดอันนี้ได้สรุปแล้วว่าเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยเป็นตันหาหมดเลยเอ่เมื่อตันหามันมากอย่างเนี้ยทุกๆอารมณ์เนี่ย เป็นอารมณ์ของปัญหาหมดอะในชีวิตเนี่ยนะจะแก้ปัญหาหรือว่าจะถอนตัญหาจะทางตัญหาอันนี้ออกไปได้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าตอบบ้างไงนะเขาบอกโอ้โหตัญหามันมากเหลือเกินเนี่ยนะเกี่ยวมันมันมากเหมือนสายฝนอ่ะนะแต่ว่าท่านบอกว่าเหมือนชัดอ่างั้นเพรามันชัดไปหมดเลยมันเกาะมันเกี่ยวประสานกันแน่นพรองตอบว่า นระผู้มีปัญญาคนที่จะถางชัดนี้ได้สำเร็จนะคนนั้นจะต้องปฏิสนธิด้วยติเหตุเนี่ยน ะ, ะเมื่อปฏิสนธิด้วยติเหต์แล้วตั้งอยู่ในศีลนะตั้งอยู่ในศีลอ บ, บรมจิตและปัญญานะจเจริญภาวนาจิตตะภาวนากับปัญญาภาวนามีความเพียรนะนะมีความเพียรและฉลาด หรือว่ามีสัมปชัญญะนิปะกะเนี่ยนะมีความฉลาดหรือมีสัมปชัญญะบุคคลผู้มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะเป็นผู้ที่เห็นภายในสงสารด้วยเขานี้จึงจับถางชัดอันนี้ได้ถ้าหากว่าไม่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าเนี่ยถางไม่ได้เนื่องจากพระพุทธพจน์นี้ที่เป็นโครงสร้างแล้วพระพุทธโคสาจารย์ ท่านก็เรียบเรียงข้อความในพระไตรปิฎกมาอนุวัตตามพระพุทธพจน์นี้โดยขยายตามแนววิสุทธิ7ประการเนี่ยนะเพราะฉะนั้นอย่างที่เรากำลังเรียนนี่เาเรียกว่าเรียนศีลวิสุทธิเนี่ยนะเรียนศีลวิสุทธิอ่าีลวิสุทธินั้นเป็นเหมือนกับรถผลัดที่หนึ่งเพื่อจิตตาวิสุทธิเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสมาธินิเทศก็เป็นเรื่องของจิตตาวิสุทธิพอปัญญานิเทศเนี่ยวิสุทธิเลย ปัญญานิเทศในห้าวิสุทธิคือทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามคยาณทัศ น, นวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศ น, นวิสุทธิแล้วก็ญาณทัศ น, นวิสุทธิเนี่ยนะปัญญาเนี่ยนะห้าวิสุทธิเลยแต่ว่าศีลกับธุดงเนี่ยรวมเรียกเข้าด้วยกันเรียกว่าศีลนิเทศะนะเพราะผู้ที่จะเข้าใจเรื่องศีลจริงๆแล้วเนี่ยนะ ตั้งอยู่ในศีลแล้วจึงจักอ บ, บรมจิตและปัญญาถ้าหากว่าไม่ตั้งอยู่ในศีลแล้วที่จักอ บ, บรมจิตและปัญญานี้ไม่ใช่ฐานะ น, นะไม่ใช่ฐานะเรารักษณะเป็นสุตตะเนี่ยได้คือฟังธรรมะเรื่องจิตตะสิกขาเรื่องปัญญาสิกขาเนี่ยฟังอ่ะฟังได้แต่ว่าอ บ, บรมนี่ไม่ใช่ฐานะแน่นอนที่ไปทำจิตให้สงบตามที่คาภีท่านว่าเนี่ยนะสงบตามพระพุทธพจน์ว่าเนี่ยไม่ใช่ฐานะ เพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งทศศาสนาปฏิบัติศาสนานะศีลเป็นเบื้องต้นแห่งปฏิบัติศาสนาถ้าหากว่าโดยสภาพจิตของเราเนี่ยนะกุศลจิตที่เป็นไปกับกุศลศีลไม่หนานแน่นไม่มากจริงๆก็ยากเหมือนกันที่จะอบรมจิตตภาวนาได้ น, นะจิตตภาวนาก็คือการเจริญพุทธคุณนี่แหละอย่างของเราเนี่ยสวดมนต์กันได้เยอะแยะนะอระหังสัมมาส้มพุทโธพักวาเนี่ยนะ ถามว่าเอาบทสวดเหล่านี้มาตรึกอย่างคนมีความสุขได้ไหมล่ะเนี่ยนะทั้งที่แปลได้นะระหังไกลาจากกิเลสกําจัดข่าศึกคือกิเลสนึกเรื่องก็กทื่อๆเท่าเดิมนั่นแหละไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเลยสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองตรัสรู้ทุกสมุทัยนิโรธมากว่าไปอีกก็เอ๊ก็อุเบกขาเวทนาอีกอนะวิชาจารณะสัมปันโนธาท่องมาได้เยอะเอ๊ไล่ได้หมดเลยทําไมจึงไม่เป็นกรรมฐานล่ะ ก็เรียนมาตั้งเยอะแยะทำไมไม่น่าจะน่าจะได้เป็นอุปจาระสมาธิอะไรอย่างที่คำภีท่านกล่าวใช่ไหมแต่ไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะเราไม่มีกุศลศีลเพียงพอเนี่ยนะไม่มีกุศลศีลเพียงพอซึ่งศีลเนี่ยนะก็คือธรรมะที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะความควบคุมทางกายทางวาจาไม่ให้กายวาจาล่วงละเมิดออกมาเป็นกายทุจริตวจีทุจริต แล้วไอ้เจตนาที่เป็นเหตุควบคุมกายวาจาเจตนาเป็นต้นเหล่านั้นรองรับไว้ซึ่งกุศลธรรมชั้นสูงเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้าใจเรื่องศีลดีและปฏิบัติศีลได้อย่างสมบูรณ์จะต้องสามารถตอบคำถามกี่คำถามนี่คําถามที่หนึ่งก็ถามว่าไงก่อนถามที่หนึ่งว่าศีลคืออะไรตอบได้เลยนะอันนี้สบายมากผาน หนึ่งศีลคืออะไรก่อนเอาไหมทบทวนนะเจตนาเป็นศีลเจตสิกเป็นศีลสังวรเป็นศีลอะวีติกมะเป็นศีลเนี่ยคือตัวศีล น, นะต้องรู้จักตัวก่อนจึงจะเลี้ยงถูกคำว่างั้นทำไมรู้จักตัวเนี่ยเลี้ยงศีลไม่ถูกนะโอ้โหอาตมาศีลเยอะแยะเลยถามว่าตัวศีลมันเป็นยังไงว่างั้นนะพระพุทธพจน์อในคำภีวินัยอนะมหาวอะ ในอุทานนักธาท่านสรุปว่าชนที่ไม่รู้จักวัวย่อมเลี้ยงวัวไม่ได้ชั้นใดพิสูผู้ไม่รู้จักศีนก็รักษาศีลไม่ได้ชั้นนั้นเนีย่ยนะอันในชั้นต้นจะรุงรู้จักเขาก่อนว่าเขาคืออะไรก่อนนะตัวของเขาได้แก่ตัวเจตนาเจตนาก็แบ่งออกเป็นสองประเภทอีกเจตนาที่งดเว้นที่เป็นเหตุให้งดเว้นจากกายธุจิตวจีทุจิต นะเจตนาตัวนี้ก็เป็นศีลแล้วเจตนาที่ตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติเป็นต้นเจตนาอันนี้ก็เป็นศีลต่อไปเจตสิกก็เป็นศีลเจตสิกนั้นก็เป็นชื่อของสัมมาควาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็อนนาพิชาอัพยาปาทะสัมมาทิฏฐิเจตสิกทั้งหดวงนี้เป็นศีลเนี่ยนะเรียกว่าเจตสิกศีลนะรู้จักตัวของเขาให้ดี ต่อไปสังวรเศษสังวรมีสังวรมีเท่าไหร่สังวรห้านะศีละสังวรเศีละสังวรหรือปาติโมขสังวรต่อไปสติสังวรหรืออินทรีสังวรยานาสังวรอะไรอีกขันติสังวรและวิริยะสังวรต่อไปสุดท้ายเรียกว่าอวีติกมะศีษนะ ถ้าตัวศีลเหล่านี้เนี่ยนะเกิดไม่หนาแ น, น่นเพียงพอจิตตภาวนาก็อบรมไม่ได้อยู่แล้วนะเธอนั่งเอาชั่วโมงเนี่ยพอได้แต่นั่งเอาสบายใจเนี่ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคุณสมบัติไม่เพียงพอถ้ากุศลจิตคือที่เรียกว่ากุศลศีล <ans> <ๆ>เหล่านี้หนาแน่นกุศลธรรมเหล่านี้เป็นที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงอยู่แล้วเนี่ยนะ อถ้าพื้นฐานโดยปกติเราไม่เคยสงเคราะห์เจตนาศีลเจตสิกศีลลงในอารมณ์ต่างๆเลยนะศีลก็ไม่ค่อยเกิดอยู่แล้วก็นั่งอยู่เฉยๆเอ๊ก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรนี่ใช่ไหมไม่ได้ผิดศีลถามว่ามีศีลไหมล่ะก็เอาสี่อย่างมาจับดูถ้ามีสี่อย่างในตัวนะได้ละเป็นกุศลศีลถ้าไม่มีสี่อย่างอยู่ในตัวเลยอดชวดเนี่ยกันนี้ เขาบอกว่าถ้าเฉพาะอวีติกมะด้วยนะเขาบอกว่าความไม่ก้าวล่วงกามาฉันทะด้วยเนคขมะไม่ใช่นั่งเอ้ยฉันนี่ไงฉันไม่ก้าวล่วงฉันก็นั่งเฉยเฉยนี่ไงเป็นศีลละเพราะเป็นอวีติกมะและอันที่จริงแล้วอวีติกมะก็คือไม่ก้าวล่วงการมาฉันทะด้วยเนคขมะไม่ก้าวล่วงพยาปาทะด้วยอัพยาปาทะเป็นต้นไปนั่นแหะหรืออีกในหนึ่งก็คือไม่ก้าวล่วงปานาติบาดด้วยการงดเว้นจากปานาติบาดเพราะนั้น กุศลธรรมเหล่านี้รองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไปนั่นคืออัฏฐะของศีลคําถามที่สองเว่าเชื่อว่าศีลเพราะอัฏฐะว่าอะไรใช่ไหมศีลละนะนะศีละนะละนะแบ่งออกเป็นสองความหมายคือสมาทานสมาธานังกับอุปธารานังสมาธานังก็คือควบคุมกายวาจาไม่ล่วงละเมิดกระจัดกระจายด้วยกายยัตุจริตวจีทุจริตและอุปทารานังรองรับกุศลธรรมชั้นสูงต่อไป ศีลทั้งหมดเหล่านี้คําถามที่สามเาว่าไงอ่าอะไรเป็นอา น, นิสงค์ของศีลเขาบอกว่าเพราะธรรมดาผู้ที่รู้จักศีลดีแล้วใช่ไหมมันต้องรู้จักอา น, นิสงค์รู้จักกำไรก่อนนะอา น, นิสงค์ก็คือกําไรรู้จักกําไรก่อนจึงต้องรักษาถามว่าศีล น, นี่มีอา น, นิสงค์อย่างไรนะอา น, นิสงค์ของศีลกลุ่มที่หนึ่งชุดที่หนึ่งเขาบอกว่าศีล น, นํามาซึ่งพวกท้ัพย์อ่า บอกว่าคนมีศีลแล้วไม่ประมาทเป็นเหตุให้มีพภะทรัพย์ศีลนะทำให้มีชื่อเสียงศีลทำให้องอาจเนี่ยนะไม่เคอะเขินศีลทำให้ไม่หลงทากาลกิริยาเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะก็จะไม่หลงตายแล้วก็สุขติโลกสวรรค์อันนี้ชุดที่หนึ่งชุดที่สองก็บอกว่าศีล ย่อมนำมาซึ่งอวิปปิสารนะกุศลศีลย่อมนำมาซึ่งความไม่เดืร้อนใจอวิปปิสารนำมาซึ่งปราโมทปราโมทนำมาซึ่งปีติปีติย่อมนำมาซึ่งปัสสัตทิเป็นต้นเนี่ยนะนึกถึงศีลแล้วเคยปลืม้มไหมยังใครปลืมม้มบ้างยกมือหน่อยนึกถึงศีลแล้วแหมปลืม้มใจเลยไม่กินแหนงแคลงใจแม้แต่นิดเดียวเลยนะเดี๋ยวจะเอาของไปทําบุญด้วยไหน มีอะไรคิดจะเอาไปฝากหน่อยนะหลอกไม่ได้นะหลอกอาชีพไม่บริสุทธินะนะอาต่อไปอว่าอันนี้เขาบอกว่าศีลมีอวิปติสารเป็นเบื้องต้นมีอนุปัานุบาถาปรินิพานเป็นที่สุดเหมือนกนะันั่นคือเป็นไปจากอ น, นิสงส์ของศีลทั้งนั้นเลยถ้าศีล น, นะถ้าเป็นพระภิกษุเนี่ยนะปรารถนาจะเป็นที่ยกย่องเคารพนับถือของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายก็ เพื่อรักษาศีลอั น, นิสงส์17ข้อในอากังเขยสูตรนะแล้วก็ที่สุดของการรักษาศีลในอากังเขยสูตรนั้นก็คืออรหัตผลเนี่ยนะที่เป็นปัญญาวิมุติและอุปโตภาเขาวิมุตเนี่ยนะหลุดพ้นโดยส่วนสองอันนี้ก็เป็นอันนิสง์ของศีลแล้วก็กล่าวถึงสิ่งในโลกนี้ที่จะเย็นเสมอด้วยศีลเป็นไม่มีสิ่งที่จะชําระบาป เสมอด้วยศีลนี น, นนะเครื่องชำระบาปทั้งหมดเนี่ยนะเสมอด้วยศีลไม่มีบันไดสวรรค์ประตูนิพพานเหมนกัน น, นะเพราะว่าคําว่ามักนี่แปลว่าอะไรมักนี่เป็นเชื่อเครื่องสแสวงหานิพพานหรือประตูนิพพานอยู่ตรงศีลเนี่ย น, นะถ้าหากว่ากุศลศีลไม่เพียงพอและประตูนิพพานเปิดไม่ได้ น, นะประตูปิดพสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอนิสงส์ของศีลศีลย่อมนํามาซึ่งเกียรติยศเป็นต้นนั่นเอง ทีนี้ต่อไปอ้าวเมื่อรู้อันนี้สงดีแล้วอยากจะรักษาแล้วคันนี้แล้วถ้ามาแบ่งประเภทของศีลได้ไหมศีลนับหนึ่งได้นะทบทวนประเภทของศีลนะศีลนับหนึ่งคือศีลลนะศีลละน ะ, ะ, นะะนะใช่ไหมศีลถ้านับสองล่ะจารีต ก, กับวารีใช่ไหมเปิดไปหน้าสาสิบสี่นะย้อน ท, ที่ที่เคยเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหม จา ร, ร such such. ีตวารี ต, ตนะศีนเนี่ยแบ่งเป็นกลุ่มหมวดสองก็ได้แบ่งเป็นอภิสมาจารย์กับอธิพรมาจารย์ก็ได้เป็นวิรัตกับอวิรัตก็ได้เป็นนิสิตศีลและอนิสิตศีลก็ได้เป็นกาลปริยันตะอาปาณโกติกศีลก็ได้เป็นสัปริยันตศีลกับอัปริยันตศีลก็ได้เป็นโลกิยศีลและโลกุตระศีนก็ได้เพราะฉะนั้นศีนเนี่ยมาแบ่งเป็นประเภทหมวดสองก็ได้ หมวดสองเาเรียกว่าทุกกะหรือมาแบ่งเป็นหมวดสก็ได้คือเป็นศีลอย่างเลวอย่างกลางแล้วก็อย่างปณีตศีลที่เป็นอัตตาธีปไตยศีลที่เป็นโลกาที่ปไตยแล้วก็ธรรมาธิปไตยอัปรามะะัฏฐะอปรามัฏฐะและปฏิปสัสสธิวิสุทธิวิสุทธสีนวิสุทธสีนและเวมติกาสีลเสขาสีลอาศขาสีลและ เนวเสขานาเขาสขะศีลเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าศีลเป็นติกะศีล น, นี้ยังแบ่งประเภทเป็นจตุกะก็ได้นะอยู่ในฝ่ายเสื่อมอยู่ในฝ่ายตั้งอยู่อยู่ในฝ่ายเจริญขึ้นและอยู่ในฝ่ายแห่งการชำระ ก, กิเลสเนีนะศีลที่เป็นพิขุศีลพิคุณีศีลอุปสำบสัญศีลแล้วก็เครือหัดศีล หรือว่าเป็นปกติศีลอาจาระศีลธรรมตาศีลและปุปพหะเหตุกษศีลที่ว่าไปนี่เรียนจบหมดละสบาย <c oughs> คือถ้าหากว่าจาได้นะช่วยได้เยอะเลยช่วยและเอาไปเพ่งเอาไปตรึกเนี่ยนะถ้าหากว่าเราคิดว่าดีนะใหม่ๆเนี่ยเราจะบอกโอ้โหมันยากจายากแต่ถ้าคิดว่ามีค่านะต่อไปมันจะค่อยๆ ค, คิดจาเองนถ้าถ้าปลูกฝังฉันทะลงไปนะเดี๋ยวก็จะจะจได้ และตอนนี้เรากําลังเรียนถึงจตุปาริสุทที่ศีลนั่นเองเรียกว่าปาติโมขสังวรศีลอินทรีสังวรศีลอาชีวปาริสุทที่ศีลแล้วก็ปัจจะยสันนิสิตศีลวันในช่วงนี้ก็กําลังพูดถึงอ า, อาชีวปาริสุทธิศีลเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าศีลเป็นจตุกะหมวด4ศีลยังแบ่งเป็นประเภทเป็นหมวด5อีกอันนะั้นี่ปัญหาที่ว่าศีลเนี่ยมาจัดเป็นประเภทได้ไหม ได้กี่ประเภทได้กี่อย่างไปต้นทีนี้ศีลนั้นศีลมีอะไรเป็นความเศร้าหมองนะศีลจะเศร้าหมองได้อย่างไรศีลจะพองแผวได้อย่างไรเนนะถ้าหากว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจตอบปัญหากรรมเหล่านี้ได้ทั้งหมดศีลวิสุทธิของเขาก็น่าจะดีนะน่าจะไปดีนะแต่ว่าตอนนี้ก็มาเพ่งถึงอาชีวปาริสุทธิศีลต่อไป ถึงหน้า7จสิบเก้าแล้วเนอะพูดถึงบาปประธรรมทั้งหลายนั่นแหละบาปประรรมห้าอย่างคือกุหนาการหลอกลวงละปะนาการพูดยกยอแล้วก็เนมิตกาความเป็นผู้กระทานิมิตแล้วก็ นิเปสิกตาความเป็นผู้บีบบังคับลาเพนะลาพังนิชิคิงสนตาการแลกเปลี่ยนราบโดยราบเอาราบต่อราบนี้เรากําลังพูดถึงเนมิตติตะกะตาอยู่นี่นความเป็นผู้กระทํานิมิตผ้า พ, พิสูจน์นี่เกี่ยวกับเรื่องอาหารบินทบาตเนี่ยนะอาหารบินทบาดกะจีวรเนี่ยไม่ให้ทํานิมิตเลยน ะ, ะการทํานิมิตนี่เป็นไนตอบว่านิมิตการทํานิมิตโอภาษ การทำโอภาสการพูดเรียบเคียงการพูดหวานล้อมต่อชนเหล่าอื่นอันใดแห่งภิกษุผู้มุ่งลาบสการะและความมีชื่อเสียงมีความปรารถนาลามกถูกความอยากครอบงำนี้เรียกว่าเนมิตติกตาแล้วก็เปิดไปหน้าเก้าสิบเจ็ดไปดูคำอธิบายหนังสืออ่านนี่ก็เหมือนกับไปกลับมานั่นแหละอ่านพระไตรปิฎกอัตถกถานะสายเกียร์ถอยได้ กลับไปกลับมาได้นั่นแหละจึงจะอ่านได้อันนี้ในย่อหน้าว่าเพิ่ทราบวิเนชัยในเนมิตติกะตานิเทศคำว่านิมิตได้แก่กายกรรมวจีกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ทำความหมายรู้ในการถวายปัใจจัยให้เกิดขึ้นแก่คนอื่ น, นเขาบอกว่าพอแสดงนิมิตแบบนี้ไปเนี่ยนะแสดงว่าเขารู้แล้วมันเหมือนกับสมมติว่าอยากฉันมะม่วงก็ไปนั่งดูแต่มะม่วงอย่างเดียวเลยนะ เออท่านอยากฉันมะม่วงนี่คล้ายๆแบบนี้แหละแต่ทำนิมิตให้เขารู้ว่าทํากายกรรมวัญญกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขารู้ว่าเราต้องการสิ่งนั้นอ่ะนะอันนี้เขาเรียกว่าทํานิมิตคําว่าการทํานิมิตได้แก่การที่เขาเห็นการที่เห็นเขาเดินถือของควรเคี้ยวอยู่ก็ทํานิมิตโดยนัยว่าท่านทั้งหลายได้ของเคี้ยวหรือเห็นเขาถือขนมมาก็ถามว่าเออได้ขนมมาใช่ไหมอย่างเงี้ยเห็นก็ได้ เคกมาเออได้เคกมานี่อนะก็พูดเดี๋ยวก็ติดเองอะ่ะดังนี้เป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าการทำนิมิตนะเห็นก็ถืออะไรไม่ได้แหละทักหมดอะต่อไป เ, เรทํกาโอภาษโอภาษก็ได้แก่คำพูดเกี่ยวข้องกับปัจจัยนะทำให้เขาสว่างโล่งแหละโอภาษนใะจจริงเนะี่ยแปลว่าสว่างใช่นะ โอภาโซอันนี้นะแต่ว่าสว่างทีงนี้ไอสว่างแบบนี้คือทําให้เขาแจ่มแจ้งเลยว่าต้องถวายปัจจัยลักษณะแบบนี้เรียกโอภาสอันนี้ไม่ใชโอภาสทําดีนะเขาบอกว่าการทําโอภาสได้แก่การที่เห็นพวกเด็กเลี้ยงลูกโคลทั้งหลายแล้วก็ทําโอภาสอันเป็นเหตุให้เด็กเหล่านั้นแจ้งแก่มารดาบิดาให้ถวายนมสดเป็นต้นโดยในอย่างนี้ว่านะวิธีทําโอภาสเขาเนะ่็นไ ลูกโคเหล่านี้เป็นลูกโคนมหรือว่าลูกโคเปียงเล่าไปถามเออโคนมหรือโคเปรียงทำกันแต่โคนมหรือโคเนื้อนะท่านของพวกเราทำไมเนี่ยนะก็เมื่อเด็กต่อว่าลูกโคนมครับพระคุณเจ้าดังนี้แล้วก็กล่าวว่าไม่ใช่ลูกโคนมรอกถ้าหากว่าลูกเป็นลูกโคนมพวกพิกษุก็พึงได้รับน้ํานมกันบ้างอนะท่านลูกโคนมภาพพิสุกคงได้ฉันนมแล้วป่ะนี้สงสัยไม่ใช่รอกทากันอันนี้ก็อเรื่อว่าพูด ทำโอภาส์เหมนกันทำให้เขารู้นะโอ้เจีมแจ้งเลยเหมงอนนะดังนี้เป็นต้นนะนะในยะเดียวกันนะผู้เรื่องอื่นก็เหมือนกันโยมทำทำสวนทุเรียนหรือเปล่าอย่างเงี้ยโอ้ยถ้าทำสวนทุเรียนจริงพระก็ต้องไหลายชั้นมัน้งนี่ไม่ได้ชั้เนี้ยพูดไกลๆหน่อยนะว่าทุเรียนไม่มีใครปลูกแล้วแถวนี้อย่พูดล้ำยัยเดี๋ยวว่ากระทบกระทั่งอีกไป การพูดเรียบเคียงก็ได้แก่การกล่าวให้เฉียดเฉียดะนะกับวัตถุที่ประสงค์นะดูวิธีพูดเฉียดเฉียดเนี่ยนะพระเจ้าคารมนี่ก็พูดเฉียดจะได้ฉันเหมือนกันก็ในข้อนี้ข้าพเจ้าจะเล่าเรื่องภิกษุผู้เป็นกุลุปะกะคือพระประจำตระกูลเนี่ยพระที่สนิทสนเเสนิทนมกับตระกูลใดตระกูลหนึ่งมีเรื่องเล่า ว, ว่าภิกษุประจำตระกูลใครจะฉันจึงเข้าไปสู่เรือนแล้วนั่งอยู่หญิงแม่เรือนเห็นภิกษุรูปนั้นแล้วไม่อยากจะถวาย เห็นแล้วก็คือหมดศรัทธา ม, มานานแล้วนะคลุกคลีกันนานๆเข้าก็ชักไม่ค่อยเลื่อมสายไม่อยากถวายก็เลยพูดว่าไม่มีข้าวสารเจ้าค่าประมาณนั้นไปถึงไปถึงบ้านแล้วไม่มีข้าวสารเลยประมาณนั้นแล้วก็ไปทำเป็นไปสู่เรือนที่คุ้นเคยกันราวกะว่าจะไปนำข้าวสารมาทำตัวเหมือนจะไปหาข้าวสารมามาหง่ะนะพิษสุก็เลยเข้าไปสํารวจดูภายในห้อง เห็นอ้อยอยู่ที่ซอกประตู น, นะพระหน้าดูงันนะกว่าสายตาไปเหลือบเห็นอ้อยเข้าแล้วก็เห็นน้ําอ้อยงบเนี่ยในภาชนะไปเปิดดูหรือไงเนาะเห็นแผงปลาเค็มในตะกร้าเห็นข้าวสารในหม้อเห็นเปรียงในไหจึงออกมานั่งอยู่เนี่ยนะไป่องดูหมดเลยหลังในครัวนี่มีอะไรมาบ้างเนี่ยนะแต่กลับมานั่งที่เดิมเจ้าของอยากไปนานนะหญิงแม่เรือนกลับมาบอกว่าไม่ได้ข้าวสารเจ้าข่า ภิกษุก็เลยจึงพูดว่าดูก่อนอุบาสิกาอาตมาเห็นลางก่อนแล้วรู้ว่าวันนี้ภิกษาจาักไม่สำเร็จรู้อยู่แล้วว่าวันนี้มันยังไงก็ไม่ได้ชันเขาแบบนี้นะอะเมื่อลอนถามว่าลางอะไรหรือพระคุณเจ้าจึงตอบว่าอาตมาเห็นงูเหมือนอ้อยที่วางอยู่ที่ซอกประตูนะะดูอยู่ก็คิดว่าจะาตีมันพอเอาก้อนเห็นก้อนดินเหมือนก้อนน้าอ้อยงบ ที่วางอยู่ในภาชนะทําร้ายมันเนี่ยนะก็เห็นมันแผ่พังพานะนะพังพานที่งูนั้นมันแผ่เหมือนแผงปลาเค็มที่เก็บไว้ในตากานะกร้าเมื่องูนั้นใครจะกัดก้อนดินนั้นก็เห็นเคี้ยวมันเออเคี้ยวอนะก็เห็นเคี้ยวมันเหมือนกับข้าวสารในหม้อหมยงูนี่เคี้ยวสวยนะเหมือนข้าวสารในหม้อเลยพองูตัวนั้นกโกรธ ก็เห็นน้ำลายที่เจือด้วยพิษที่มันพ่นออกจากปากเหมือนกับเปรียงที่ใส่ไว้ในไหดังนี้นะนะสามารถเปรียบเทียบอุปมาได้หมดอย่างนั้นนะอันนี้คือลางที่จะไม่ได้ฉันกยงนั้นเพราะอะไรเพราะว่าก็เห็นอยู่แล้วว่าของพวกนี้มีอ่ะเสร็จแล้วเจ้าของเดินออกจากบ้านทําท่าไปหาข้าวสารใช่ไหมไอ้ลางอันนี้รู้แล้วว่าวันนี้พิกษาจะไม่สําเร็จอยงั้นหญิงนั้นก็เลยคิดว่าเราไม่อาจที่จะรวมคนหัวโลนได้ <g ười> ก็ไม่ศรัทธาซอย่างเนี่ยนะคิดตรงไหนได้ที่หนักๆก็เอาตรงนั้นแหละก็เลยจึงถวายอ้อยหุงข้าวสุกถวายไปพร้อมกับเปรียงน้ําอ้อยงบและปลาดังนี้นะได้ฉันเกลี้งเลยนะก็เล่าถูกหมดนี่การกล่าวให้เฉียดเฉียดกับวัตถุที่ประสงค์อย่างนี้เพิ่งทราบว่าชื่อว่าการพูดเรียบเคียงคําว่าการพูดหวานล้อมได้แก่การพูดวนไปวนมา โดยประการที่จะได้ปัจจัยดังนี้แหละนะพูดวนอยู่แต่เรื่องนั้นแนะ่ะจนเขาถวายอ่ะนะลักษณะนี้เขาเรียกว่าการพูดหวานล้อมอทั้งหมดนี้เขาเรียกว่าเนมิติกตาความเป็นผู้กระทํานิมิตอันนี้ก็อธิบายจบแล้ว น, นะว่าพระภิกษุนี้ไปทํานิมิตในลักษณะนี้ไม่ได้นะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยนะทาไม่ได้เลยเด็ดขาด